พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ร่วมจำพรรษาปี2549นี้ก็จวนจะออกพรรษายังไม่ถึงสองสั ป, ปดาห์ก็จะออกพรรษาแล้ววันนี้เป็นวันที่24กันยาแล้วก็วันที่7ตุลาเป็นวันออกพรรษา พวกเราที่เป็นพระที่จะบวชที่ว่านักบวชอาชีพที่ว่านักบวชที่จะอยู่มอบกายถวายชีวิตไม่มีกำหนดส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็บวชตามประเพณีการบวชตามประเพณีอันนี้ก็มีกำหนดเท่าไหร่อย่างไร อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับผู้ที่จะบวชไม่มีกำหนดให้พวกเราทบทวนในการประพฤติปฏิบัติของเราจะให้อ่อนแอไม่ใช่ว่าเราอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนแอท้อแท้อ่อนแอหาจุดยืนไม่ได้ กิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจจนไม่มีทางที่จะออกที่จะก้าวเดินได้แต่ละวันแต่ละเวลามีแต่เรื่องสับสนวุ่นวายในจิตใจสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่กเพื่อนสังเกตและทบทวนดูแล้วก็หาวิธี ปรับปรงแก้ไขการเป็นอยู่หรือแนวความคิดนั้นๆอย่าให้มันมาเหยียบย่ำทำรายจิตใจของเราวิธีการปฏิบัติมีหลายๆอย่างสำหรับผู้ที่จะดำงรงรงศศาสนาอันดับแรกก็เรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วสั่งสอนอีก จากนั้นก็การเป็นอยู่ของพวกเราให้ระเวยงระวังการหลับการนอนการอยู่การฉันการครบค้าสมาคมการพูดการคุยปล่อยจิตปล่อยใจออกนอกลูก่นอกทางสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องหานะที่จะนำไฟเข้ามาเผาจิตใจของตนเองทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกคงอย่าไปส่งออกไปข้างนอก ให้ตรวจตราดูที่ใจของเราเองถ้าเราส่งใจออกไปข้างนอกมันจะเป็นนำเอาไฟคือความร้อนเข้ามาเผาจิตใจของเราจากนั้นเราไม่รู้สาเหตุแห่งไฟก็จะได้รับความเดือดร้อนทางด้านจิตใจไม่มีทางจะออก ไฟความคิดตัวนี้มันเผาทางด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายร้อนจะว่าร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาก็ไม่น่าจะผิดร้อนไฟเผาจิตใจเนี่ยไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนกระทั่งอยู่ยากสิ่งเหล่านี้ผมเคยพบเคยเจอเคยเห็นมากับตัวเองแล้ว หลายครั้งแต่ถึงยังไงผมเองก็เอาชนะมันได้จึงได้อยู่รอดปลอดภัยมาเพราะนั้นอยากจะเตือนหมู่พวกเพื่อนผมว่าหมู่พวกเพื่อนก็คงจะพบเจอเหมือนกับผมแต่บางครั้งหมู่ที่ล้มหายตายออกจากผมตะจัน ผมว่าคงจะมีกิเลส ต, ตัวนี้เข้ามาทำร้ายทำลายแน่นอนเพราะว่าถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้กิเลส ต, ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดามันเผาแบบที่ว่าไม่รู้ต้นปลายสาเหตุอีกต่างหากถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งจริง กิเลสตัวนี้อารมณ์ตัวนี้มันหาต้นโตหาต้นเหตุไม่ได้แต่มันเกิดอยู่ในใจของเรามันเผาไหม้อยู่ในใจของเราผลที่สุดจะว่าหนาวขนาดไหนก็เถอะแต่มันก็ร้อนอยู่ในใจหาที่สิ่งที่จะเปรียบปานในขณะที่ไฟตัวนี้เผาได้ยาก แต่ก็หาสาเหตุไม่เจอผมเองเคยเจอมาครั้งหนึ่งอย่างจังๆหนักๆจนจำไม่ลืมประทังทุกวันนี้สมัยผมออกเที่ยวทุ่งใหม่ผมก็ได้ออกมาทางอำเภอนาอยูงปี 2,516-17 ก่อนที่จะมาผ่านตรงนี้เห็นตรงนี้ป่าดงพงไัยหนาแน่น ก็ผ่านไปพอต่อมาอีกเข้ามาไม่ได้เพราะบ้านเมืองยุคนั้นสมัยนั้นยุ่งเหยิงวุ่นวายในความคิดไม่ตรงกันทำให้เป็นฝักฝ่ายเพราะนั้นในถิน่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นเขตอันตรายเขาก็ไม่ให้เข้ามาผมก็ได้เดินทุดลงไปทางอื่น ไปแถบสกล น, นครแต่แถบนั้นก็เถอะก็เป็นเขตที่อันตรายเหมือนกันแต่ผมขึ้นไปอยู่ไปเที่ยวปีนั้นไปในระหว่างสกล น, นครกับกาลสินหลังเขาภูพานแต่ก็อาศัยหมู่บ้านแยกออกจากทางใหญ่มีภูเขามีถ้ำ เพราะมีพระเคยไปอยู่ก่อนแต่เมื่อผมไปนั้นพระไม่อยู่ท่านออกไปแล้วผมก็เลยไปแทนที่ท่านแต่ท่านก็ออกไปนานพอสมควรจากนั้นเมื่อไปอยู่ที่นั่นห่างไกลจากหู่บ้านเกือบสีห้ากิโลพรวัติพอสว่างแล้วก็ออกบินทบารเดินออกมาบินทบารพอบินทบาตกลับมาก็ฉันที่แรกเอาตะไคบาท กับอาหารที่ข้าวเขาใส่บาทเกือบเต็มบาทแล้วก็มาชันที่ถ้แตอนนี้พอชั น, น 2, วันสองสามวันบางทีบางครั้งโยมเขาก็ขึ้นไปนำข้าวกลับลงมาพอต่อมาก็ไม่มีใครขึ้นไปผมก็บินท้าบาตเสร็จแล้วก็มาชันในนอกบ้านให้โยมเขาเอาอาหารเอาเสือพวกน้า เราก็เตรียมกระติกน้ําลงไปกลองเสร็จแล้วก็ฉันน้ําล้างบาดเสร็จเรียบร้อยตะภายบาดเป่าขึ้นเขาอันนี้คือชีวิตของการที่อวทุ่งการไปอยู่ป่าแต่การอยู่ป่าในครั้งนั้นรู้สึกว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็อันตรายเหมือนกันกับภัยลทัทธิที่บอกความเห็นไม่ตรงกันขนาดอยู่ในถ้ำ กำลังฉันบินทบาทยังมีเฮลิคอปเตอร์ของเขากาดปืนลงมาจากเครื่องบินยิงลงไปในพื้นดินในละแวกนั้นเห็นกับตาแบานั้นแต่คิดว่าเราอยู่ในถ้มก็คงไม่เป็นไรเพราะนั้นการอยู่ที่นั่นจิตใจของเรา ถาจะว่ากลัวไหมกลัวยอมรับว่ากลัวเพราะมันห่างจากหมู่บ้านทั้งสี่ห้ากิโลแล้วก็ถ้ายาวเป็นถ้ำยาวเป็นกิโลเหมือนกันในถ้ำนั้นถ้าเล็กถ้าน้อยเป็นระดับภูเขาไปแต่มีกุฏิหลังเล็กเลกขึ้นมาสู่หน้าผาเขาทํากุฏิ เสายาวขึ้นมาอยู่หน้าผ่าแล้วก็มีกุฏิหลังหนึ่งฝาไม้ไผ่พื้นไม้ไผ่ประตูหน้าตานี่ก็เป็นไม้ไผ่หมดชักไปชักมาให้คล้ายกับชักปิดว่างั้นแหละแบบง่ายๆทีนี้ก็มีทางเดินโยกมุมในถ้ำด้วยแล้วก็ที่นั่งในถ้าก็มีที่นั่งภาวนาที่เลือกเอาเลยว่างั้นแหะ พรมันทํายาวอากาศจะเย็นสบายเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนกุมภาที่ผมไปนะอันนี้ผมเล่าในรายละเอียดให้ฟังว่าภูมิสถานแห่งนั้นเป็นอย่างไรแต่การใช้น้ําแล้วก็เดินลงไปในหน้าผาห่างไกลพอสมควรที่จะได้ใช้น้ําเอาน้ําใส่กระติกขึ้นมาเอามาใช้แต่ส่วนอาบอาบลงไปอาบ้างล่าง ใ น, นชีวิตของการเที่ยวทุดงอยู่ตามลาพังทำไมจึงไปอยู่อย่างนั้นก็เป็นการฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองว่าเราเป็นพระเราจะอยู่อย่างนั้นอยู่ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ภาวนาอย่างนั้นทดลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้ที่พูดมาทางนี้ทางนั้นอันนั้นเพียงครั้งหนึ่ง และเราเลยทำอย่างนั้นมาหลายสิบแห่งแต่ครั้งนั้นที่เราไปภาวนาที่เราไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่สกบสงัดมากห่างไกลจากคู่คนถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออันตรายแต่ที่เราอุ่นใจอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านเป็นที่รู้จักดีเพราะเคยปฏิบัติภะกรรมฐานมาก่อนคิดว่าผู้ที่จะ เข้าใจผิดนั้นก็คงจะมาผ่านชาวบ้านก่อนเพราะนั้นเราจึงได้อยู่ที่นั่ น, นต้งองอกตั้งใจภาวนาเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมดก่อนที่เราจะไปนสถานที่ใดถินด่นใดพอไปถึงสถานที่แล้วเราก็จะกราบพระไหว้พระที่สล า, าของเขามีพระพุทธรูปองค์เล็กๆพระปูนพระไม้ มีอยู่เราไปกราบแล้วก็ตั้งคิดอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามาณสถานที่นี่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งหวังเพื่อทรัพย์ในดินศิลในน้ำไม่ได้มุ่งหวังโลกามิตใดใดทั้งสิน้นข้าพเจ้ามาเพื่อรักษาศีลปฏิบัติไตรศิกขาศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมา ข้าพเจ้าจะมาส่แสวงหาทางพ้นทุกข์เพื่อจะชำระกายวาจาใจชำระใจของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะไม่ขอเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปโดยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองเข้าไปจ้า เราไปเจ้าหวังความพ้นทุกเท่านั้นในจิตใจอันนี้คือเมื่อเราไปจูระสถานทีนน่ใดเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นตอนนี้เราได้อยู่มาได้สองสามวันวันที่สามแลวันที่สี่ผมก็จําไม่แม่นวันนั้นพอเดินมีตรบาดกลับมาฉันแล้วก็เดินโยงกลมพออยู่ตามลําพังองค์เดียวเดินโยงกลมในถ้าพอเดินโยงกลมเสร็จแล้วก็เลย นั่งภาวนาสะ ก, ก่อนก็นั่งในถ้ำอีกเอาผ้าอาบน้ำปูในหินแล้วก็เอาหลังพิงทั้งหินหันหน้าออกไปข้างนอกแต่หลังไม่ได้พิงหินนะแต่ว่าเป็นที่นั่งเหมาะเจาะทีเดียวพอนั่งหันออกไปข้างนอกนั่งบริกรรมภาวนาพุทโธกุตโธ ท, ทําจิตให้สงบพิจารณาถึง ร่างกายสังขาใรใจรับอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่เคยปฏิบัติมาคือถ้าว่าอยากจะให้จิตใจสงบเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติกำลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในเมื่อเจตใจเข้าสู่ความสงบพอสมควรก็พิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขน หนังเนื้อเองกระดูกพิจารณาจุดแท้แต่เราจะจับจุดไหนหรือพิจารณาธาตุสีในขณะนั้นอันนั้นก็คือวิธีการปฏิบัติที่อยู่ตามลําพังก็พิจารณาถึงมรณะคือความตายไว้อยู่เสมอถึงจะอยู่ณสถานที่ใดความตายไม่เลือกจะอยู่ในที่ไหนก็าตามความตายนี่ อูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นหายใจไม่เข้าก็ช่หายใจไม่ออกก็ช่มันอยู่ที่ลมหายใจเพราะนั้นเราไม่ได้คิดอย่างอื่นคิดแต่ว่าภาวนาท่านเ่งตอนนี้พอนั่งภาวนาเหนื่อยมันง่วงเลยพักผ่อนเราจะพักผ่อนชักชั่วขณะหนึ่งซะก่อนเราจรึงจะลุกมาเดินจงกรมอีกครั้งมานั่งภาวนาอีกครั้ง เราคือตั้งใจอยู่อย่างนั้นเสมอเพราะอยู่ตามลำพังองค์เดียวเราไม่ได้คิดมุ่งหวังเป็นอย่างอื่นเพราะเราไปภาวนาเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเราไม่ได้คิดไปอย่างอื่นแต่และ ว, วันแต่และเวลาภาวนาเท่านั้นสติอยู่กับตัวเองเท่านั้นท่านี้ก็พอไปนอนล้มกายลงไปนอนกับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ พอกำลังจะหลับเคิมเคมท่านั้นน่ะมันจะดุ่งตื่นขึ้นมาอย่างแรงสะดุ้งตื่นทั้งตัวเลยแต่หาสาเหตุไม่ได้ว่าตื่นเพราะอะไรมันฝันอะไรเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกย้อนหลังไม่เจอว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านี้พอมันสะดุ้งขึ้นมาอย่างแรงอย่างนั้นมันเหมือนกับไฟไหม้อยู่ที่หัวใจมันร้อนวักว่า วักอับทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าจะว่ากลัวก็ไม่ใช่จะว่ากโกรธโมโหโทสโอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นแต่มันร้อนอยู่ที่ใจนี่แหละอันนี้คืออยากจะเล่าให้หมู่พวกเพื่อนได้ฟังได้ยินว่ามัมนทําไมมันไปจับอารมณ์ตรงไหนอย่างไรเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันในขณะที่จวนจะพักผ่อนมันคิดไปทางอารมณ์ราคะโทสะโมหะ มันก็จับไม่ได้แต่ว่าผลมันออกมานั้นคือร้อนที่ใจในเมื่อร้อนอย่างนั้นตามปกติเราก็จะภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายจออกอย่างเข้มงวดบังคับให้จิตอยู่กับที่ให้ใจอยู่กับที่แต่ทุกครั้งที่ก่อนๆมานั้นมันได้ผลแต่ในครั้งนั้นไม่ได้ผลเหมือนกับเราเอาฝ่ามือปิดน้ําที่ มันท่อไหลแรงๆมาจากเขาอย่างนั้นท่อสองนิ้วแรงๆเราเอามือฝ่ามือไปปิดมันปิดไม่อยู่ฝ่ามือของเราปิวเลยอันนี้ผ็เหมือนกันเวลาเรานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกมันไม่อยู่มันไม่อยู่กับลมแต่ใจร้อนวักวักวักอยู่อย่างนั้นจิตใจเหี่ยวแห้งอับเฉา ว้าวิอ้างว้างเหลือขนาดถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกับเรามีเรือลำเล็กๆอยู่ตามลําพังคนเดียวไปอยู่ในกลางมหาสมุทรที่มองไม่เห็นฝั่งถ้าเปรียบเทียบในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าความร้อนนี่ยก็เหมือนกับไฟเผาญ้าที่มันขาดน้ําแห้งไปหมด อาบเฉาแห้งไปหมดในบริเวณนั้นจะเหมือนกระย่ามันตายอย่างนั้นแ่ะใจของเราลักษณะอย่างนั้นในช่วงนั้นเราเปรียบเทียบให้หลายอย่างเอ๊ะทาไมมันร้อนถึงขนาดนี้จนได้ถามตัวเองว่าเราอยากจะสึกไหมเนี่ยมันก็ตอบว่าไม่ไม่อยากจะสึกแต่ทำไมมันใจร้อนไม่รู้ ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงใจหนึ่งก็ว่าน่าจะกลับเข้าไปหาพ่อแม่ครูจารย์เพื่อต้องการความแก้ไขแต่ใจหนึ่งบอกว่าอย่าเถอะในเมื่อมันเกิดที่ใดเราต้องระงับที่นั่นตายเป็นตายเราจะไม่ขยับออกจากที่ถ้าวามจิตประเภทนี้ยังไม่สงบถ้าไปที่หน้า ม, มันก็จะไปเกิดที่หน้าอีกไปที่หน้าจะเกิดที่หน้าอีกมันจะไม่มีที่สิ้นสุด เพนั้นเราจะต้องเอาชนะให้มันได้มันทํำไม่ตายเป็นตายแค่ตายท่านเองข่าสู้แค่ตายคือใจสู้มันก็มีอยู่แต่ไม่ใช่มีแต่ใจถอยแต่บางครั้งมก็ถอยแต่บางครั้กาก็สู้ไอ้ใครๆบอกสู้กับถอยมันเหมือนกับมันขึ้นเปลี่ยนกันขึ้นเก้าอี้อย่างนั้น่ะบางทีความร้อนความ ทกใจขึ้นเขาอีกใจเขรู้สึกว่าอ่อนปูกเปียกแต่บางทีใจของเราฮึดสู้ขึ้นไปนั่งเขาอีกความร้อนความตัวนั้นก็ตกไปแต่มันไม่นานมันก็ขึ้นมาอีกมันสู้กันอย่างนั้นนอนไม่หลับนะเป็นอย่างนั้นนอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับเลยกลางคืนรู้สึกว่ามันยาวนานเพาไม่ใช่แต่มันนอนไม่หลับเลย มันเป็นอยู่อย่างนั้นภาวนาอย่างไงมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ออกกรรมาฐานที่จะว่าเข้าสู่ความสงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ผลพูดอย่างนั้นเลยถึงกรรมาฐานเคยใช้มาแต่ก่อนไม่ได้ผลสู้กับอารมณ์ประเภทนั้นไม่ได้แต่แต่นี้ตอนเวลาเราไปบินราบาดเอาไปบินระบาตมาฉัน พอฉันวันหนึ่งทีนี้เราพอวันที่สามวันที่สามวันที่สี่เราเดินในถ้ามันเดินในถ้ำเหมือนกับมันมีของครอบหัวใครว่ามันมีที่บังมันมีที่มงที่บังเอาเถอะวันนี้ไม่เดินในถ้ำเราจะเดินปากแดดดูให้มันตายดูสิเป็นยังไงทีนี้เราก็เดินออกไปทางบิณฑบาท ทางบินทบาทมันมีต้นเลพุ่มชงโคชงโคป่ามีอยู่สามสี่ต้นแต่ใบมันล่วงนะเพมันเดือนกุมภามีนาต่อกันอากาศกำลังเริ่มจะร้อนหนาวเริ่มจะร้อนมา้งนั้นทีนี้มันมีต้นชงโคอยู่ที่นั่นแล้วก็ปัดกวาดปัดกวาดมันก็มีหินอยู่บ้างเป็นตุ่มเป็นขึ้นมาแต่จะว่าเรียบราดจริงจริงก็ไม่ใช่ แต่ก็พอเดินได้ทีนี้เราก็เดินอย่งโกลมตั้งแต่ชั้นจันหารเศษแปดเก้าโมงเช้าที่มากับมาบินธบาตมาแล้วลงไปกันเดินอย่าโกลมเลยตอนนี้ตายเป็นตายคราวนี้วะ่ะเดินนีซิ่งไปไงังองเราจะไม่ขึ้นไปนั่งมันเดินเอาเดินอย่โกลมนซิ่เป็นยังไงจากนั้นเราก็จกมือปรโนมมือท่วมหัวไหวครูว่างั้นหรือ พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสามจบกราบพระพุทธเจ้ากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะเดินอยู่กลมจะให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดวันนี้จะไม่ส่งจิตไปที่อื่นจะให้อยู่กับพุทโธเดีนี้เราก็เดินพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก้าวกับก้าวกับก้าวกับทางหรก็ยาวพอสมควรประมาณสัก 20่สิบเปสามให้ยาวพอสองควรเดินกับร้อนไหมร้อนเพราะมันมีต้นไม้มันแดดจะมากกว่าล่มไม้มีพอล่ำไร น, น่จากนั้นเราก็เดินพุโทโธพุโทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธขวาพุโทโธไม่ได้ส่งจิตไปทางอื่นบังคับให้อยู่กับพุโทโธเป็นส่วนมากเดินตั้งแต่8ดเก้าโมงสิบโมงจนถึงบ่ายสาม สี่โมงเย็นวันนั้นที่เดินตากแดดนะพอเดินไปทีนี้มันพดขึ้นมาในความรู้สึกบอกว่าจะร้อนใจไปทำไมกรรมดีกรรมชั่วเราเป็นคนทำเราทำกรรมดีเราก็ได้รับผลดีถ้าเรากรรมชั่วเราก็รับผลชั่ว ไม่มีใครอื่นที่จะรับแทนเราถ้าเราทํากรรมดีแล้วคนอื่นเขาจะมารับแทนเราไม่ได้ถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วใครจะมารับแทนเราไม่ได้เราเท่านั้นเป็นผู้รับกรรมดีและกรรมชั่วเพราะนั้นเราจะร้อนใจไปทําไมมันอยู่กับเราทั้งหมดเราเป็นผู้รับกรรมเราเป็นผู้รับถ้าเมื่อเราปฏิบัติพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารตัดกิเลสเราก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วเราในแลจะเป็นผู้ตกนรกหมกไหมไม่ใช่ใครอื่นใครจะมาทำให้เราไม่ได้ทั้งนั้นท่นี้พอมันตกวางในทา่านทางด้านจิตใจงั้นมันเหมือนกับวางต้้มลงในใจเหมือนันมันเชื่อในกลัมเชื่อในผลของกลัมกลัมคือการกระทาของเราจากนั้นพอวางปบตะนันโอโห้ใจรู้จวกกล้าหารมาก ว่าเสืออยู creator, ่ต่อหน้านี่กระโดดเข้าปากเสือได้เลยว่างั้นเถอะมันกล้าถึงขนาดนั้นในช่วงนั้นจากนั้นวิ่งว่างั้นเถอะเดินอย่างโงไม่ใช่เดินวิ่งเฮ้ฮะมันกล้าหานถึงขนาดนั้นวิ่งเร็วงั้นเถอะป๊อกป๊ออเออวิ่งไปวึ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับว่างั้นเถอะเออเขาเดินไม่ทันใจมันให้ขว่าเราเอาชนะจิตใจประเภทนั้นลงได้แล้วลงได้ว่างั้นเถอะจากนั้น พอเราเดินไปได้สักก้าครั้งสิบครั้งมั้งกลับไปกลับมาการระลึกขึ้นมาได้เอาละพอแล้วมั้งเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวเขาจะว่าบ้าได้ใน่นัะจากนั้นเราก็เลยหยุดเดินตามปกติแล้วก็ทบทวนทบทวนว่าเอ๊ะที่มันเป็นมานที่ครั้งแรกเนี่ยทาไมมันไปคิดกับอารมณ์ที่ไหนมามันไปคว้าอารมณ์ที่ไหนมามาเผาใจตัวเอง มันเจียงร้อนคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกทบทวนดูเท่าไหร่ก็ไม่ออกย้อนหลังดูเท่าไหร่ก็ไม่ออกในขณะที่วันเรานอนหลับมันวัดขึ้นมาเนี่ยเห็นแต่ว่ามันวั่บขึ้นมากระสะทุ้งทันทีเลยรู้แต่เพียงเท่านั้นแต่ว่าต้นเหตุมากกว่านั้นไม่รู้ผลที่สู่ก็เอาสงบลงได้ใจเย็นสบายทีนี้ให้เข้าว่าใจอาถรรพ์กล้าจากนั้นเราก็ อยู่ที่นั่นชั่วระยะหนึ่งเอาชนะมันได้เลใจที่มันร้อนอย่างนั้นจากนั้นผมก็เลยลาลงไปไปพักบัดทางอยู่ในเมืองจากนั้นก็เดินทางต่อไปอีกไปอำเภอนาแกแล้วก็ขึ้นไปท้ำภพเวทไปอยู่องค์เดียวอีกเหมือนกันท้ำภพเวทนิบินทบานผ่านแก่งอำเภอนาแก <Okay. S 1> ก็ห่างกันพอสมควร บินธบัตรเกือบพวห้ากิโลแล้หกกิโลเขไม่รู้ละ่ะเดินไกลทีเดียวตัวนี้ไปนั่นก็ไปอดอาหารอีกไปภาวนาอดอาหารอย่างที่ว่านั่นนะอดอาหารที่ยวสี่ห้าวันเขาอ่อนครั้งนั้นละ่ะตอนนี้นก็ไปเดินโยกรมอยู่ที่นั่นอีกเวลาขณะที่อดอาหารเดินภาวนาพุโทโธพุโทโธกําหนดลมหายใจจิตใจเข้าสู่ความสงบหนึง่งจากนั้นก็ย้อน ย้อนไปหาตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่ที่ถ้าซ่อนของนะ่ะบ้านลาหลุบเรานะ่ะที่ว่านีนะ่ในระหว่างสะกลกระลจินเนี่ยทำไมใจของเราจึงร้อนในวันนั้นนึกทบทวนนึกทบทวนความเป็นมาว่าทำไมมันจึงร้อนในวันนั้นเพราะมันคิดมาเท่าไหร่มันก็มันยังหา ต้นหาตอหาเงินไม่ได้เพราะนั้นจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็ย้อนจิตกลับไปไปดูในขณะที่ว่าในขณะที่เรานอนแล้วมีอะไรเข้ามากระทบใจมันจึงร้อนอย่างนั้นทีนี้พอนึกย้อนไปมีความรู้สึกอันหนึ่งมันพุขึ้นมาจากใจจะไปดูทำไม อันนั้นเป็นอจินไตยถ้าเราอยากจะรู้นะกวิญญาณเกิดมาจากไหนเหมือนกันไม่แพ้กันวิญญาณเกิดมาจากไหนไม่แพ้กันเพราะนั้นรู้ไปทำไมได้ไประโยชน์อะไรมันตัดปุ่งลงในใจอีก เหมือนกับโยนของลงไปอย่างใจกลางใจมันตัดตรงนั้นอีกก็เลยไม่คิดอยากจะรู้มันอีกว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะมันหายห่วงจากตัวนั้นอีกใจกปสบายวางไปอีกช่วงระดับหนึ่งนี่แหละอันนี้คือภาคปฏิบัติอยู่ตามลำพังหรือว่าวิธีการปฏิบัติกับตนเองไม่ใช่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราจะปล่อยปะละเลยไม่หาต้นเหตุหรือไม่สู้ นะทำให้เราเสียเปียบได้ไง่ายๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดให้ฟังนี่ไม่ใช่ผมโอ้อวดไม่ใช่ผมอะไรนะผมเคยพบเคยเจอมาแล้วอารมณ์อย่างนี้เรื่องอย่างนั้นเพราะนั้นอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเมื่อมันเกิดมีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนใช้สติใช้ปัญญาใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ปัญญาให้รอบขอบต่อสู้กับกิเลส ภายในใจของพวกเราท่านทั้งหลายผมมั่นใจเหลือเกินว่าอารมณ์ประเภทนี้ต้องเกิดกับหมู่กับเพื่อนไม่องค์ไรก็ต้ององหนึ่งหรือบางองค์อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่สำหรับผมแล้วมันเกิดกับผม ห, หลายครั้งแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดแต่ผมไม่ลดละความพยายามสู้กับอารมณ์ภายในใจเอาธรรมะเข้าไป บังคับเอาไปสู้จากนั้นก็ไม่มีที่จะมันจะร้อนอย่างนั้นขึ้นอีกเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องสู้อีกมันมาเท่าไหร่เราจะต้องสู้อีกจากนั้นมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะในภาคปฏิบัตินี้มีหลายวิธีมีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆองค์ ที่จะเป็นนักบวชปฏิบัติเพื่อสาะแสะวงหาทางพ้นทุกข์ที่ผมพูดได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแนวทางสำหรับเอาชนะใจของตนเองเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต้องค้นหาเหตุมันมีเหตุซะก่อนมันจึงมีผลแต่ที่ผมว่าน่คือเหตุอะไร มันพูดขึ้นมามันพดขึ้นมาในใจบอกว่าค้นหาทำไมเหมือนกับวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากไหนอารมณ์ประเภทนั้นมันเกิดมาลักษณะเดียวกันนะมันบอกขึ้นมาในใจนะชัดเจนจากนั้นก็หยุดในการค้นหาอิกต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือมุมหนึ่งสำหรับที่ประสบการณ์กับผมเอง จงมาบอกกล่าวให้หมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาอยู่แล้วมาศึกษากับผมผมเคยประพฤติปฏิบัติและก็เคยเจอเคยพบเคยเห็นอย่างไรในชีวิตที่ผ่านมาตนตออยู่ที่ไหนเป็นตอเป็นโขดเป็นหินที่ราบที่รุ่มอย่างไงอุปสรรคอย่างไ ร, างไรทางด้านจิตใจก็มาชี้แนะชี้นำให้หมู่พวกเพื่อนให้ได้เป็นแนว ปฏิบัติสําหรับให้หมู่พวกเพื่อนในเดินตามแนวแถวเมื่อมีอุปสรรคอย่างนี้เกิดขึ้นควรจะแก้ไขอย่างไร เ, เพราะด้นการพูดให้หมู่พวกเพื่อนฟังในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวแถวสําหรับพวกเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องมันอาจจะไม่เกิดแนวแถวที่ผมเป็นก็ได้เพราะกิเลสที่มีหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายแง่หลายมุมหลายสันหลายคม ที่จะเอาชนะใจของเราเพราะฉนั้นทึ้งยังไงก็าตามอย่าให้เป็นผู้แพ้กิเลสต้องใช้ขันติต้องใช้วิริยะต้องใช้ปัญญาต้องใช้จับเจ้าอธิษฐานคือความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแน่วแน่อย่าให้กิเลสไฟต่ําเข้ามาเหยียบย่าทําลายถ้าเอากิเลสไฟต่ำเข้ามาเหยียบย่ า, า, า, ายยทํำลายแล้วเราจะเป็นผู้ล้มเหลวอาตายออกจากศาสนาได้ไง่ายๆ เมื่อตายไปแล้วอันนี่มันไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นนะมันมีแต่เลวลงเลวหลงเท่านั้นเองเ อ, อถ้ารู้อย่างนี้เป็นยังไงออกไปอย่างนั้นเป็นยังไงผลที่สุดมีแต่เลวคว้าน้ําเหลวเลวทั้งนั้นเพราะนั้นเราเกิดมาในโลกวัตะสงสารกิเลสราคะโทสะโมหะพาพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารเป็นอนันตการนานเท่านานเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกหมูเพื่อนทั้งหลาย นำธรรมะศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าปาปรปงแก้ไขไกายว่าใจาใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรปับปุงแก้ไขใจของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ได้รู้เรื่องเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดสรุปแล้วไม่ไปจากที่อื่นที่มันร้อนก็ร้อนที่ใจเหตุมาจากไหนมาจากใจพราะนั้นให้ดูที่ใจ ถ้าเราดูที่ใจเรามีสมาธิดีเราก็ดูที่ใจดูที่ใจก็แก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ไหนก็หลุดพ้นที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องราวทลายออกมาจากใจทั้งหมดใจซ่องหมองใจผ่องใสใจดําใจมืดบอดใจสว่างมันออกมาจากจุดนั้นทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราให้ดูที่ใจ อย่าไปดูที่อื่นในภาคปฏิบัติดูกายแล้วก็ดูใจดูใจแล้วก็ดูกายดูกายแล้วก็ดูใจย้อนไปย้อนมาย้อนกลับไปกลับมาผลที่ถุดเห็นโทษของร่างกายร่างกายจะมีอะไรร่างกายถึงจะมีธาตุสีดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะอาการสาสองในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็น ของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นจะต้องแตกสลายในที่สุดถึงจะมีตัวเองอยู่ขนาดไหนก็ตามจะมีธาตุสีมีร่างกายอยู่ตนเองขนาดไหนก็ตามร่างกายอันนี้แก่ประวัติถึงจะมีแล้วก็ตามเหมือนกับไม่มีเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราจะว่าเป็นของเราได้อย่างไงจะว่ามีได้อย่างไรในเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องแตกสลายในที่สุดเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงว่าดูก่อนโมกขลาศ ท่านจงมาดูโลกนี้ให้เป็นของว่างเปล่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้ปล่อยวางให้ว่างเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปยึดมั่นได้ยังไงมันก็ต้องว่างเมืนอท่านใจให้ว่างจะให้มีอะไรเข้ามาสู่จิตใจปล่อยให้ใจให้ว่าง ว่างจากอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่างกระทั่งใจวางกระทั่งใจใจตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเพราะมันเกิดมันดับมันทุกอยู่มันจะเป็นของเราได้ยังไงสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนิจจังสิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นให้ปฏิเสธตรงที่ใจ ธรรมะอนัตตาเรานั้นะที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสภายในใจของเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราพิจารณาดูรู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วนั่นละ่ะความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ออกมาจากใจความบริสุทธินั้นเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมีจุดจบจุดจบอยู่ที่ใจไม่มาเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสารสรุปแล้วก็คือให้เบื้องต้นก็คือศีล ส, สมาธิและก็ปัญญาศีลเนี่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยถ้าเรามีศีลไปอยู่นสถานที่ใดเรามั่นใจเรามั่นใจในศีลถ้าเราไม่มีศีลแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดจิตใจวอกแวกคลอนแขนไม่มั่นไม่เชื่อมั่นในตัวเอง หวาดผวาไปหมดไม่กล้าที่จะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราขาดศีลศีลของเราไม่สมบูรณ์ศีลของเราขาดตกบกพร่องในเมื่อเป็นผู้มีศีลแล้วมีความเชื่อมั่นในตนเองเวลาทําสมาธิจิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อทําสมาธิจิตใจสงบแล้วภาวนาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริง กล้าหารอาถารรู้เรื่องพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมรรคพิจารณาะติปัฏฐานสีก็เห็นได้ชัดกายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือหนทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานคือมรรคแปะ ศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เน้นหนักอยู่สเสมอมาตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราให้เดินตามแนวแถวนี้มรรคผลนิพพานรอคอยพวกเราอยู่ไม่เป็นอย่างอื่นนะการพูดการแสดงวันนี้ก็เพื่อจะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นแนวทางตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มแรกว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา ที่ผมอธิบายให้ฟังที่เป็นตัวอย่างผมเคยพบเคยเจอมาอย่างไรในเรื่องใจจิตใจมันประชบพบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันทุกข์จริงๆใจร้อนไม่มีอะไรที่จะทุกข์ยิ่งกว่าใจร้อนใจมันร้อนร้อนเพราะสาเหตุอะไรก็ได้อธิบายให้หมู่พวกเพื่อนฟังอันนี้คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่ง บางทีอาจจะไม่เป็นตามตัวอย่างนี้ก็ได้ก็ขอให้หมูพวกเพื่อนเอาเป็นตัวอย่างนี่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามเราจะมีขันติสัจจะอธิษฐานจิตใจของเราให้มั่นคงให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าไปท้อแท้อ่อนแออย่าไปให้กิเลสเกียบย่าทําลายหัวใจของเราเราต้องเอาชนะให้ได้ ถึมาประเภทไหนะอย่างไรก็ตามเราต้องพยายามสู้อย่างสุดซึงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสู้กับพญามารที่โครนต้นโพนะนะญญั่นสัจจะอธิษฐานบา ร, รมสีสิบทัดยี่สิบทัดสามสิบทัดมารวมหมดจนพระองค์เอาชนะพญามารกิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์เป็นผู้บริสุทธ์พุทโขึ้นมาได้ก็ด้วย ประมีมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านน ะ, ะการบวดการปฏิบัติอย่าได้ท้อแท้อ่อนแอตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาพวกเรากคงจะเดินตามแนวแถวนั้นมักผลนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พวกเราคงจะ ถ้าเดินตามแนวแถวแล้วก็คงจะสมความมุ่งมาตปรารถนานการพูดการกล่าวแนะนำสั่งสอนหมู่พกเพื่อนก็เห็นว่าพอสมควรขอยุตติเพียงเท่านี้